ยังไหวนะักศึกษาสมาธิครูสมาธิทุกคนก็เก่งเหมือนกันก็เดินมาไหวเหมือนกัน <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าทั้งฝ่ายผู้สอนและทั้งฝ่ายผู้ศึกษามีความตั้งใจเรียกว่าเข้าไปอยู่จุดเดียวกันจุดเดียวกันนั้นหมายความว่าเราต้องการ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิการที่จะได้รับความรู้โดยแท้จริงนั้นมันก็ต้องมีทั้งฝ่ายทฤษดีและทั้งฝ่ายปฏิบัติเหมือนกันกับว่าทุเรียนนี่มันอร่อยไหมก็บอกว่าอร่อยแต่ไม่ได้รับประทานไม่ได้กิน ไม่ได้รับประทานมันก็ไม่รู้ว่าอร่อยแค่ไหนแต่เมื่อเจอทุเรียนนี่มันเป็นลูกอะไรนี่เป็นลูกธูเรียนก็ทุเรียนมันก็ต้องมีหนามแล้วก็ผ่าออกไปข้างในสีเหลืองในที่สุดเราก็จับใส่ปากอ๋ออร่อยใช้ได้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย เมือเอ่อหลวงพ่อเป็นสามเณรถ้าว่าถึงสามเณรก็สมัยเมื่อ เ, ออเกือบหกสิบปีที่แล้วห้าสิบกว่าปีที่แล้วทุเรียนเนี่ยมันยังไม่คือยังไม่แพร่หลายยังไม่รู้ว่าทุเรียนนี่มันรูปรูปลักษณะเป็นยังไงก็มีพระมา จ, จากทางภาคอีสาน ในขณะนั้นกำลังมีการเอเจอความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะหมายความว่าฝ่ายหนึ่งก็ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ว่าฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็มีคนว่าเออแกอวดดีนักฉันจะเอาขี้ใส่บาทออั น, นี่เป็นคำพูดนะคำพูดที่เขาพูดไว้ก่อน อันนี้จะเอาขี้ใส่บาทที น, นี้อพระนั่นก็ไม่เคยรู้ว่าทุเรียนนี่มันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงก็ไม่รู้เนื้อเป็นยังไงก็ไม่รู้วันนั้นบินทับบาตมาได้พอบินท บ, บาทมันก็ได้กลิ่นแล้วออกมาดูข้อยมันจริงแล้วงั้นนี่มั น, <c oughs> นี่มันขี้วะ <c oughs> จับจนทิ้งเลย กลับมาถึงวัดบอกพระว่าวันนี้โดนดีแล้วของนั้นโดนดีอะไรโดนขี้ไสบาดแล้วขี้ไสบาดเป็นยังไงกลิ่นมันอะ่ะมันกระตุ้วๆละสิแล้วลมันเป็นยังไงมันก็แหลมๆด้วยข้างปลาย <c oughs> แล้วมันเกลือมันอะไรเดี๋ยวตามไปดูเราลงไปดูว่ากลายเป็นทุเรียนปะโถเฮ่เจ้เอาทุเรียนมาโยนทิ้งตรงนี้เพราะฉะนั้น การเรียนสมาธิเราก็ต้องรู้ว่าทฤษฎีเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติเป็นยังไงนิฉะนั้นเราก็จะเข้าใจผิดเพราะว่าทุเรียนมันก็แพงอะสมัยนั้นไม่ใช่ถูกๆและยังมาไปโยนจริงอีกอย่างเนี้ยคือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นในข้อที่สี่ที่เรียกว่าอาการกริยาเจ็บคันโดยไม่มีเหตุผล อันนี้จะไม่อ่านเหมือนทุกวันเพราะว่าให้เข้าใจว่านักศึกษาก็คงอ่านมาแล้วคงรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังว่าการสัมผัสระหว่างกายกับอารมณ์อารมณ์ที่เข้ามาประทับกับร่างกายเนี่ยเมื่อเกิดการสัมผัสกันขึ้นแล้วเนี่ยประอิกิริยาจะต้องเกิดขึ้น แต่ปฏิกริยา น, นี่ถ้าเราจะสังเกตดูอย่างหยาบๆเราลองสังเกตดูว่าเมื่อเวลาที่อารมณ์เข้ามากระคบกายเนี่ยถ้าหากว่ามันธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นอ่าประสาทในร่างกายนี่จะออกเขาเรียกว่าเกรียมรับเตรียมรับอารมณ์ที่จะเข้ามากระท บ, บอย่างที่ว่าเขาด่าเราอย่างเต็มที่อย่างเนี้ย ประสาทอันนี้มันจะเกิดขึ้นมารับทันทีประสาทที่มารับอารมณ์ในระหว่างนั้นอ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นการเกิดปฏิกิริยามีอาการต่างๆบางคนนี่ถึงกับมือสัน่นบางคนก็ถึงกับปากสัน่นบางคนก็ถึงกับว่าเนื้อตัวนี่มันจะปวดร้าวอะไรอย่างนี้สิ่งราณี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่ออารมณ์ก็คือความ เ, เหมือนเขาด่าเราอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้มันก็เหมือนกันกับลมชนิดหนึ่งพูดแล้วมัก็หายไปในอากาศและอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับคืนมาถึงเราได้อย่างไรอันนี้ก็คือประสาทในร่างกายของเราเนี่มันจาเป็นที่จะต้องรับรับส่วนต่างๆของสิ่งที่มันจะเข้ามากระทบเรา เพราะฉะนั้นในเมื่อเอ อ, อันที่จริงนั้นการสัมผัสต่างๆในร่างกายย่อมจะต้องมีแต่การสัมผัสนั้นเกิดขึ้นจากอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดการปรับตัวจะเกิดปฏิกิริยากับร่างกายการเกิดปฏิกิริยากับร่างกายนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น กิจยาเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดจึงไม่ปรากฏเป็นรูปร่างเกิดขึ้นมาจากจินตนาการหรือเกิดขึ้นโดยการกระทบระหว่างอารมณ์กับร่างกายการเกิดอารมณ์กับร่างกายนั่นถ้าเป็นผู้มีความสังเกตจะเห็นได้อย่างประสาทในร่างกายเรานี้เมื่ออารมณ์ร้ายเกิดขึ้นจะมีสีหน้าบอกถึงอารมณ์ไม่ดี เมื่อเป็นเช่นนี้ประสาทจะออกรับหมายถึงการกระทบจนตัวสัน่นหรือแสดงถึงความระบมไปทางร่างกายบางครั้งก็เกิดความรุนแรงของอารมณ์ประสาทคอยรับทำให้มารู้สึกแปรปลั บ, บขึ้นมาในใจอย่างนี้เาเรียกว่ามันแทงหัวใจเว้มันแปรปลับเลยมันพูดเฉยยิง่งแปาไปขึ้นหัวใจ อะไรที่มันแฝบเข้าไปนั่นน่ะอนั้นคือส่วนประสาทส่วนประสาทของการรับมันจะแสดงออกให้ปรากฏเห็นชัดเจนทีนี้อันนี้เราพูดกันถึงว่าอารมณ์ที่เรากระทบอยู่เป็นระยะระยะของใครของเราก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเมื่อเวลาเราทาสมาธินี่ทำไมเมื่อเราต้องการความสงบ แล้วประสาทนี่มันจะออกมารับได้อย่างไรมันออกมารับโดยที่ว่ามันเกิดอาการเือเกิดอาการสกัดกัน้นอย่างอารมณ์ของเราอย่างนี้เราไม่ได้เคยสกัดกั้นมันเราอยากจะทำอะไรก็ปล่อยไปตามอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าไม่สกัดกัน้นเราอยากจะคิดอะไ ร, อ ย, ะ ร, อ, ะไรอยากจะเอาวอะไรอยากจะเฮฮาอะไร อันนี้เรียกว่าเราไม่สกัดกันเรียกว่าปล่อยตามใจแต่พอถึงเวลาเกิดการสกัดกั้นขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวตนแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เช่นอย่างเขามาด่าเราว่าไอหมาอย่างเนี้ยทั้งท้งที่เราก็ไม่ใช่หมามนดา่าเราว่าหมา เราก็แปรเปลไปเนไปในไว้ใจว่าแกเนี่ยมาดูถูกฉันมันก็ประสาทจะนิ่มจะออกไปรับพอออกไปรับมันก็เกิดปฏิกิริยาคือความเออมันจะส่งเข้าไปในใจของเราให้เกิดความขุนแลวส่งไปในใจของเราเนี่ยให้เกิดความกังวลกัวายคิดว่ากูก็จะต้องด่ามึงเป็นหมาเหมือนกันอย่างเนี้ยอันนี้คือประสาทที่รับเพราะฉะนั้น เวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็จะต้องทําการสกัดกั้นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือใจของเรายโดยมากเนี่ยมันจะตามใจเพราะเราตามใจจนเคยชินอยากคิดอะไรอยากกินอะไรอยากทําอะไรอยากพูดอะไรอยากด่าอะไรอยากเสนอเสริญอะไรมันเกิดตามใจของฉัน แต่พอเวลามาทำสมาธินี่ยไม่ตาใจซะแล้วเกิดว่าแกอยากจะคิดฉันมาให้แก ค, คิดแกอยากจะนึกฉันก็มาให้แกนึกแกอยากจะนึกถึงบ้านฉันก็จับดึงมาพุทโธซะอย่างเนี้ยในที่สุดมันก็ต้องทำปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ปฏิกิริยานี้มันจะไม่แสดงแต่เฉพาะการเจ็บเจ็บคันๆเท่านั้น การเจ็บแสบคันนี่มันเรื่อง <c oughs> มันเรื่องจิ๊บจ้อยก็โยกขึ้นมาเป็นพอเป็นหัวข้อเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าในเวลาที่เราสกัดกั้นแนวจิตของเราเนี่ยเมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเนี่ยก็คือการต่อสู้การต่อสู้กัน ร, ระหว่างการสกัดกั้นอารมณ์ครับการต่อสู้ระหว่างจิตใจของเราที่เคยตามใจเราอยู่นั้น มันเกิดการต่อสู้กันขึ้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาถึงเรียกว่ายุทธการยุทธการแห่งการต่อสู้ทนี้การต่อสู้นี้พอเวลาเทศเราได้รับการกระทบเข้ามาแากกระทบเข้ามาเป็นต้นว่าเราก็อยากจะสงบแล้วยังไงมันอุจจาริยนึกไปก็ไม่รู้เราก็สารนึกกุทธอยู่ดีๆ พอพุดโธไปพุดโธมาพุดโธไปพุดโธมาลืมพุโทโธไปนึกถึงว่าเอ๊ะหมาจะกินข้าวอย่างอย่างเนี้ยอ้าวไปแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ฉุนเฉียวในตัวของเราเองว่าก็เราอยู่ที่นี่ต้องการจะทำสมาธิบุตรีไปนึกถึงหมาเราได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นพอมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเอมันจะส่งผลกระทบ เธอส่งผลกระทบเข้าไปเกิดความขุนหมองในใจของเราว่าเราไม่ควรจะให้เป็นอย่างนี้นั่งสมาธิก็เกือบจะจบแล้วก็ยังไม่รู้จักที่จะมาทำให้จิตของเราเข้าให้อยู่ให้สงบให้ได้เวลาทำสมาธิมีความตั้งใจที่จะแก้อารมณ์ต่างๆโดยการสกัดกั้นอารมณ์อันจะมากระทบ ยังเกิดปฏิกิริยาแบบละเอียดสแสดงออกมาในส่วนต่างๆของร่างกายจึงเป็นปรากฏการณ์ระหว่างประสาทกับอารมณ์ชนิดหนึ่งคื อ, อประสาทของเราเนี่ยมีอะไรทุกอย่างเนี่ยแม้เราจะหลับตาไปแล้วประสาทมันก็ยังต้องรับเราจะทำอะไรในขณะไหนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะประสาทเนี่ยมันมีความไว ในประสาทของร่างกายของคนเราเนี่ยเเต่ตามคำเทียมบอกว่ามันมีต้องไม่รู้กี่พันกี่หมื่นที่มันเอออมันมีปลายประสาทที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงมีความไวอย่างยิ่งอย่างที่เราเห็นว่าวิทยุหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าอะไรเนี่ยดาวเทียม ต, ต่างๆ ทุกอย่างนี่มันก็มีความไวพอกดพับถึงทับกดอเมริกาพับถึงไทยพยับหมายก็ว่ามันเป็นความไวแต่ว่าความไวเหล่านั้นอ่ะเราจะต้องคิดว่าความไวของประสาทมนุษย์เนี่ยจะไวกว่านั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาทําสมาธิเนี่ยอาการที่มันจะคอยรับเนี่ยมันจึงต้องคอยรับอยู่แต่ว่า ในเรื่องของการทำสมาธิมันไม่เหมือนเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องการทำสมาธินี่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอมาทำความสงบหรือว่าเราจะต้องมาทำในสิ่งที่ในสิ่งที่ที่เราไม่เคยทำหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยที่จะมาทรมานใจ หรือว่ามาทรมานในสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้เพราะว่าในกรณีที่เราได้มีความตามใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรามาฝืนใจเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลเวลามันจะเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีเหตุผลมันจะแปบขึ้นมาก็ไม่มีเหตุผล หรือว่ามันจะมีอะไรกระยุกกระยิกอะไรตามร่างกายของเราเนี่ยมันก็มาโดยไม่มีเหตุผลสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้เราจะเรียกมันว่าขันธมารที่มันมาคอยต่อต้านสมาธิแท้ที่จริงแล้วคือปรากฏการ การกระทบระหว่างประสาทกับอารมณ์นั่นเองทีนี้เรามาจับจุดได้แล้วว่าไอ้ที่มันเกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือไอ้ประสาทที่มันมากระทบกับอารมณ์อันนี้คือเราจับทางได้หมายความว่าเราทาสมาธิถ้าหากว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจับทางได้ก็หมายความว่า มันคือร่างกายหมายความว่าระหว่างประสาทกับอารมณ์ไม่ใช่ตัวอื่นระหว่างประสาทกับอารมณ์ที่มันจะเข้ามากระทบในในที่นี้จึงจำเป็นต้องทราบเหตุผลอันแท้จริงเหตุให้ปรากฏ เจ็บๆคันๆก็ปรากฏสิ่งต่างๆที่มันต้องมีปฏิกิริยาในระหว่างเอที่เราทําสมาธินั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลคือการกระทบระหว่างประสาทกับอารมณ์ในที่นี้จึงจําเป็นต้องสะเหตุผลอันแท้จริงเราจะได้แก้ทางของอาการต่างๆที่มันจะเข้ามาต่อต้านในการที่เราจะดาเนินการสมาธิ เพราะว่าเมื่อเรารู้จักคือเราจับทางได้แล้วเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องชนะร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้าเราจับทางไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันมาก่อควนเราอะไรเนี่ยมาทําให้เราขี้ฤทธอ์ขี้ลั่นอะไรมาทําให้เราเกิด อ, อสร้างวิมานบนอากาศอะไรอะไรต่างๆเหล่านเนี้เอเหมือ น, นกันกับอิสราเอล มันสร้างวิมานบนอากาศสร้างไปสร้างมาก็ตีหม้อแตกเพราะว่าสพรามคนนึ้ในคราวนั้นเกิดทุกข์กระเพยเกิดข้าวยากมาแพงขึ้นสพรามนั่นมันก็ไปเที่ยวหาขอทานขอทานได้มาข้าวมาหม้อหนึ่งได้ข้าวมาหมอห้อนึงแล้วก็หุงหุงสุกแล้วมันก็คิดว่ากินแล้วก็ต้องหม้อนี้อิ่มแล้ว กินอิ่มได้มือหนึ่งมือหน้าต่อไปก็ไม่มีกินอีกแล้วก็เลยเอาหม้อแขวนไว้แก่ไอ้สามนั่นแกก็นอนนอนมองหม้อพอนอนมองหม้อแล้วแกก็สร้างวิมานเพรากาศเทื่ยนว่าเราเอาเข้าวนี้ไปขายเราเข้าวไปขายก็สามารถซื้อแพะได้สองตัวเพราะว่าแพะมันตกลูกง่าย ซื้อแพ้ได้สองตัวแล้วหกเดือนมันก็ออกลูกมาหกตัวเสร็จแล้วออพออีกหกเดือนมันก็ออกลูกมาเจ็ดตัวอย่างเงี้ยมาพอมันได้ถึงหกกับเจ็ดมันก็เป็นสิบสองอ๋อไม่ใช่สิบสาม <c oughs> แล้วก็เอาไปขายออพอขายได้เงินมา นี่เขาเรียกก็ปีที่หนึ่งพอปีที่สองมันก็ตบลูกมาอีกเราก็ขายได้ก็ได้เงินมาเยอะพอได้เงินมาเยอะเราจะอยู่เป็นคลามไปทำไมเราไปแต่งเมียดีกว่าก็เอาเงินนั่นไปก็ไปสู่ขอได้ภรรยามาได้ภรรยามาใ น, นระยะเวลาอีกปีต่อมาก็มีลูกพอมีลูกได้แล้วก็เป็นลูกชายหน้าตาสะสวย ก็ลเลยชวนเมียบอกว่าไปหาอาจารย์กันเถ อ, อะเมียก็บอกว่าโอเคไปก็ไปอแต่ทีนี้เวลาไปมันก็ต้องขึ้นเกวียนไปอเอาขึ้นเกวียนไปเพราะว่ามีเงินเยอะเลยซื้อเกวียนได้ตังเลมซื้องัวได้ตังสองตัวแล้วก็เมียก็อยู่ข้างหลังตาพรามนั้นแกก็อยู่ข้างหน้าขับเกวียน พาขับเทียนไปแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยบอกว่าโห้ยแกอุ้มมั่งสิฉันไม่อุ้มหรอกแกอยากจะไปแกก็อุ้มคนเดียวก็แล้วกันเถียงกันไปเถียงกันมาก็ว่ามึงไม่อุ้มก็ประตัดตีหัวเมียก็เลยบอกอ้าวอุ้มก็อุ้มพออุ้มเสร็จแล้วมันก็เอาลูกไปทิ้งลงกลางทางอา้าวนี่มันลูกกูเนี่ย เามาทิ้งเนี่ยมบอกว่าก็มันเมื่อยเนี่ยคุยจะไปอุ้มมันทำไมเล่าออฮะนดังนั้นเกียร์มันก็เหยียบตายเหียตายก็แล้วไปสิอ๋อมึงอย่างนี้เรอว่าเสร็จแล้วแบบตักตีหัวเมียป้อเข้าไปนี่แต่ว่ามันไปถูกหม้อพอดีหม้อแตกข้าวก็ไม่ได้กินไปปกหมกตายหมดอันนี้อ่าทีนี้ อันนี้ก็เล่าไปขัดจังหวะเพราะเอเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องระหว่างประสาทกับอารมณ์เราจะต้องเข้าใจตรงนี้จําไว้แม่นๆว่าประสาทเนี่ยกับอารมณ์เวลาที่มานั่งสมาธินี่ประสาทกับอารมณ์เนี่ยมันต้องกระทบกันทุกครั้งทุกครั้งของการทําสมาธิ เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันก็มีอาการต่างๆนานาไม่ใช่แต่เฉพาะเจ็บๆคันๆมันจะแระับๆแรับๆมันจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะว่ า, าการกระทบอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จิบขึ้นมาเป็นบทในบทเรียนว่าเป็นสิ่งที่ทําการต่ อ, อต้านสมาธิ ทำไมถึงเป็นเครื่องต่อต้านสมาธิเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีตัวตนบางคนคิดว่าผีอบางคนเขาว่าคิดว่าผีพลายบางคนก็ว่าไอ้นี่มั น, นมีอะไรดิมันเจ็บตัวนั้นเจ็บตรงนี้เหมือนตัวจิตอย่างเงี้ยเจ็บตัวนั้นเจ็บตรงนี้เออ ก, ก็หาว่าคนนะคนมาทํา อ่าเอาไปละมีคนยสยาศาสตร์มาทำเราเอ่าเดี๋ยวก็มาบีบกระหมับบ้างเดี๋ยวก็มาเป็นอะไรบ้างไอสิ่งเหล่านี้นั่นอ่ะเราก็คิดว่าเออเราเคยถูกของหรอไม่ไม่ได้ถูกอะไรเราของอ่ะนะอ่าเก็คิดไป่ะคิดไปต่างน า, นานาในที่สุดก็เลยเกิดมงมไงขึ้นว่าเอาเอไอ้นี่ถูกของต้องไปลดน้ำมนต์อ่าเห็นนี้ ทางฝ่ายผู้ที่เป็นหมอผีโอกาสดีแล้วคือจะได้อย่างน้อยที่สุดจะห้าร้อยบาทอะฮอย่างน้อยที่สุดห้าร้อยแต่หากว่าทาหายไม่ต้องเจ็บต้องคันแล้วมันก็จะได้อีกหลายพันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อสิ่งเหล่านี้นั่นอะ่ะมันมันจําเป็นเราจะต้องรู้ว่านอกเหนือจากการทํำสมาธิแล้ว ไอ้การเที่เราไปอยู่ในตามปกติอย่างเนี้ยมันก็จะมีอะไรต่างๆเนี้ยมาทําให้ร่างกายของเรานี้ยเจ็บๆคันๆเช่นอย่างมันแปรบตรงนี้นิดแปรบตรงนี้หน่อยโอ้นี่ผีผีอ่าแล้วทีนี้อหมอผีก็เอามีดมาแทงซ้ํำก็ไปเลยเอออย่างเงี้ยยิ่งแทงแล้วยิ่งเจ็บโอ้ยถูกตัวมันแล้วอเออไอ้คนที่ถูกแทงเกือบแย่อย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันเพี้ แล้วม่จะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างที่มันเจีดตามร่างกายเนี่ยมันก็ถ้าหาว่าพูดตามตำราทางแพทย์ก็คือปลายประสาทมันเสื่อมเมื่อปลายประสาทมันเสื่อมนี่ปลายประสาทนี่มันไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานนี่ลมมันออกไม่ได้ตรงประสาทนั่นมันก็เลยไปเกิดเป็นตัวเจีดขึ้นเหมือนกันก็มันเจี๊ยดเียอย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่ได้ก็ใครคนอื่นหรอกได้ก็หลวงพ่อเอง <c oughs> เพราะว่าเอ๊ะทำไมมันจิตอย่างนี้จิตอยู่ได้ตั้งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงต้องเอามือกดเอาไว้เดี๋ยวมาจิตตรงนี้แล้วเอามือกดเอาไว้แล้วทีนี้ถ้าหากว่า เ, าเข้าใจผิดกันเนี้ยว่าโอ้ยนี่โดนทําแล้วในรูปใครเนี่ยปล่อยมวอธนูแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอา่าเสร็จเสร็จแน่เลย ทีนี้พอไปถามหมอว่านี่เป็นอะไรเราก็ห๋อปลายประสาทเสือ่อมเขาก็เอายาเม็ดเขียวๆใหญ่ๆมาให้ฉันพอฉันเสร็จแล้วตัวยีก็หายหมดเพราะว่าปลายประสาทมันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจเพราะว่าในวันนี้ให้จำว่าระวาง ปราศจากอารมณ์การที่เรามาสกัดกั้นขณะทำสมาธินี่คือการสกัดกั้นสกัดกั้นเมื่อการสกัดกั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกการต่อตู้กันระหว่างอารมณ์อย่างคนที่เขามาด่าเรารู้ว่าเรากําลังโมโหใครสักคนนั่นอย่างเนี้ยอ่าอันนี้ก็เรียกว่าการกระทบกันระหว่างปราศจากอารมณ์ทีนี้ เวลาเรามาทำสมาธิมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราสกัดกันไม่ให้อารมณ์เข้ามาเราเพื่อที่จะให้จิตสงบอันนี้มันก็เกิดการประทะกันระหว่างประสาทกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็อดทนเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็อดทนเอาก็แล้วกันฉะนั้นวันนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องท่านมัวแดง ให้มีเวลาเยอะๆหน่อย <c oughs> พูดทีละสั้นๆโยเออนักศึกษาก็หาว่าหลวงพ่อเอาเปรียบ <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าเวลามันหมดเลยพูดใจสั้น <c oughs> ที่จริงแล้วนั่นเมื่อไปอยู่ที่ถ้ำงัวแดงอ่สิบห้าวันผ่านไปปฏิกิริยาอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีนอกเหนือไปจากว่า หลวงพ่อหลงทางไปแล้วก็ไปเจออย่างที่กล่าวบอกมาแล้วเมื่อคืนว่ากลับคืนมาแล้วในย่ามมีอะไรในย่ามมีหินอยู่ก้อนหนึ่งไอหินนั่นมันเอามาให้อาจารย์ดูแกไปได้มาจากไหนไม่รู้เมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครเอามาใส่ย่ามให้อ่เอาออกมาดู เฮ้ยมีมันไขน่นกกระทาเนี่ยไข่ น, น, ขนกกระทาไข่นกกระทานี่มันจะลายๆเยอะมัน <Yeah. S 1> เป็นยังไงไขน่นกกระทาอ้าวนี่ไม่เคยเปิดให้ใครดูนะห้ามห้ามไม่ให้พูดนะไ <c oughs> ขนกกระทาโอ้โหนี่มัดไม่ใช่เรนเนนะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือมหาสมบัตินี่มัดไปห น, นเีเลขาเวื่อนไม่เคยเห็นอาจารย์บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันของดีนี่วะมันของดียังไงโอ้ยนี่ลมันยอดจะเรียกว่ายอดเพราะว่าไข่นกกระทาเนี่ย ถ้าหากว่าเวลาไขแล้วเนี่ยมันออกลูกนั่นคือไข่จริงแต่ถ้าหากว่ามันมีอยู่ลูกหนึ่งละเขาเรียกว่าไข่ที่มันเป็นหินเขาเรียกว่าครดเนี่ยนี่นี่มีน้ําหนักนะเนี่ยหนักเนีเนี่ยมีน้ําหนักเออเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าให้ดูเท่า น, นี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วห้ามให้แตะต้องด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นไข่นกกระทาไปถึงไหนไม่อดนั่นอาจารย์บอกว่าแกเก็บไปให้ดีนะแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าอย่า ง, งนี้เนี่ยของดีอ่รู้ไหมว่าของดีมันคืออะไรอ่เนี่ยเขาเรียวกว่าไข่นกกระทาแล้วก็ของดี น, นี้รูปถิทเขาต้องให้อาจารย์ <c oughs> <c oughs> เพราะงั้นทํำยังไงดี ตัสสดสินใจก็สามวันเห้ยแค่เอาไข่มันกะทาไว้ไหนอะไรเงนนีนี่มันนักอาจารย์ไม่จริงนี่ว่าะงันเลยเอามวลเนื้อถวายอาจารย์เอาไปจนกระทั่งเราเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ท่านกออ็อายุก็มากแล้วยังไงผมขอคืนครับ <laughs> ขอขื่นขึงเอาไปเมอไรคอยู่ก็ท่านสิบปีเนี่ยทีนี้อ่าก็อันนี้นะไม่พูดนะนะเก็บละก็ไม่เก็บเดียวลูกเดียวเพราะว่า หลวงพ่อว่าเมื่อจะทำงานให้กับพระพุทธศาสนาในอนาคตต่อไปบอกว่าผมเองก็ต้องการอยากจะทำงานให้กับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผมขอขืนเ่อะครับอาจารย์ก็เดินเข้าไปในห้องเอายังอยู่เว้ยแม่ นืกระสันไทยไปแล้วได้มาแล้วอย่างนี้หลังจากนั้นเราอยู่กันในถ้างวแดงเป็นเวลาเท่าไหร่รู้ไหมเราไปอยู่ในถ้มงวแดงถึงสามเดือนในระยะสามเดือนนั้นการทำสมาธิท่านอาจารย์ก็บอกว่าแกต้องทำสมาธิให้แน่วแน่นะ ถ้าไม่แน่แน่ถ้าแกไปถึงหลวงปู่มั่นแล้วแกจะแย่เพราะอะไรเราจะถามเพราะว่าท่านอยู่มันอย่างก็พาตาิยราชสีแทบเดียวเท่านั้นนะบอกว่าแกอยู่ไม่ได้คืนนี้แกก็ไม่ต้องนอนแล้วแกต้องไปแน่อย่างเนี้ยเราก็ไม่มีอะไรนอกจากพอฉันเสร็จแล้วก็เดินจงกรมพอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิ น่าสมาธิเสร็จแล้วก็ไปต้มน้ําร้อนเพราะว่าท่านอาจารย์นั่นก็ต้องเอาถงน้ําร้อนทุกวันเราก็ต้องไปเก็บฟืนต้มน้าร้อนต้มน้าร้อนพอต้มตอนเย็นต้มน้ําร้อนฉันน้ำเอาไวน้ําตาลก็ไม่มีต้องให้เข้าใจว่าในระยะที่หลวงพ่อกําลังเดินทางนั้นเป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบ2แผ่นที184 เป็นเวลาที่สงครามโรคครั้งที่สองอยังไม่สงบเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางไปในที่ไหนต้องอดบางครั้งนั้นเราไม่มีอาหารฉันก็ต้องพากันไปขุดมันในป่ามาต้มมาต้มฉันกันอย่างนี้นั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งและอาจารย์ต้องบอกว่าเนี่ เราได้เวลาที่จะเดินทางต่อไปแล้วน ะ, ะแล้วแกได้อะไรบ้างมาที่นี่มัได้อาจารย์ก็ไปแล้วนี่เอออย่างงั้นก็ตีไปก็ไป็หลงก็เป็นอันว่าเราได้แ่สมบัติเท่ทำกวาแดงสมใจแล้วก็เดินทางต่อ ออกจากนั้นก็เดินทางไปที่อำเภอกระโทอกพอออกจากกระโทอกแล้วก็เดินทางเข้าสู่เมืองโคราชลูกระเบิดบึ้มลงมาทันทีเลยทางรถงไปขาดหมดวันนั้นมีคนคนหนึ่งวิ่งเฉลิดลากเข้ามาเอ้นี่มันอะไรตัวแดงหมดว ะ, ะมาถึงพอถึง พอบนสลาหน้าพระพเดีนอนดิ่นตายขาดที่เลยถูกคูกกระเบิดมาลูกกระเบิดเนี่ยมันลุกใหญ่ใหญอยู่รอบที่วัดป่าสารวัต น, นั่นนะ่ะโดนเข้าไปลูกหนึ่งลางวัดพอดีเลยกระเบิดตูมขึ้นมาแต่ว่ากุติหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ไม่มีเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็เลยนั่งลงธรรมะ สังเวชอยู่ที่นั่นนะว่าเราจะเดินทางต่อไปหรือว่าจะโดนลูกระเบิดที่นี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพันเมตรเนี่ยกําลังมาทิ้งระเบิดทุกวันทุกวันเอาแค่นี้ก่อนแล้วทีนี้จะเดินต่อไปจากนี้ก็ผมจะใกล้เข้าไปถึงหลวงปู่มันแล้วก็ทักไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันไอ้รูปกโคลงเมืม่อกี้นี่นะ ตัง <laughs> ้งแต่ละในวัดทั้งหมดก็ไม่มีใครเห็นยอมทั้งหมดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็ไม่มีใครเห็นเลขานั่งอยู่ใกล้ๆก็เพิ่งเห็นวันนี้เพราะฉะนั้นน่ะใครเห็นรูกนี้โอ้โห แล้วก็ไม่ให้ใครจับด้วยวเดี๋ยวจะเอาไปพอเวลาที่จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยกมือใส้มาใส่ตรงนี้อธิษฐานอะไรเพราะว่าอยู่กับอาจารย์สิบปีเนี่ยอาจารย์เสกเต็มที่เลยแ อาจารย์ของหลวงพ่อเขาก็รักลูกศิษย์เหมือนกันไปขอคืนท่านทำไมวาอะไรแม้เราหวัดเหียวนึกว่าห้ใไขไปแล้วต่อไปก็มีการถามตอบกันก็คือแปดห้าเจ็ดคุณวิไลวงสุวรรณขอเชิญที่ขอเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธินะคะ แล้วรู้สึกสบายแต่หลวงพ่อเคยสอนบอกว่าไม่ให้ติดอยู่ที่สบายแล้วทำยังไงถึงจะไม่สบายเลยคะ่ะสบายนะั่นไม่ใช่ให้ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นไม่ให้ติดก็หมายความว่าอยู่ได้แต่ว่าเราจะให้รู้ว่าความสบายนั่นน่ะนั่นเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยยมีความขยันขึ้นเหมือนกันกับรสอาหารเนี่ยมันอร่อย ก็เป็นหนทางที่จะให้เรารับประทานอาหารได้มากเพราะฉะนั้นเอที่ไปสบายนั่นอ่ะก็ไม่ใช่ง่ายการที่จะไปจิตจะไปถึงความสบายเนี่ยจิตมันต้องมีพลังมีพลังถึงจะไปสบายได้แต่เมื่อสบายแล้วเนี่ยที่ไม่ให้ติดความสบายนั่นอ่ะคือว่าเราจะต้องก่อนแต่ที่จะไปถึงความสบายนั้น เราทำสมาธิคือกำหนดความรู้เนี่ยให้นานที่สุดเพื่อเมื่อความรู้นานที่สุดนี่เป็นตรงที่เราจิตเป็นสมาธิและมีความรู้เนี่ยอพลังมันจะเข้าสู่ใจของเราในร้อยเปอร์เซ็นจะเข้าเต็มเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะให้ได้รับพลังอันนี้เยอะๆก็คือทำความรู้ให้จิตของเราเนี่ยมีความรู้แต่ว่ารู้ด้วยความมีสมาธิ พอมันถึงที่แล้วนี่ถึงยังไงมันจิตมันก็ต้องลงไปสู่ความสบายเองเออขอบคุณค่ะต่ อ, ตอไปขอเชิญคุณวิไลพรรักการท่ากราบนมัสกัรผ้าจานค่ะจิตขอเรียนถามว่าจิ์นั่งสมาธิเมื่อจิตเขา้าผวังอยู่ในอาการสงบเกิดในมิเห็นผ้าจานนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะขณะเดียวกันเห็น้าทิสมันกาย เดินออกจากกายของพระอาจารย์ที่ทำงานอยู่ปรากฏการเช่นนี้คืออะไรเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นค่ะอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นจากเวลาที่ยังไม่ได้นั่งสมาธินี่มันมีความคิดอันนี้นะไปฉายไว้ในใจของเราพอเวลาที่เราไปนั่งสมาธิจิต ม, มันสงบไอ้ที่เราถ่ายชักไว้ในใจเนี่ยก็ปรากฏเป็นภาพขึ้นมา อันนี้คือกิริยาอันหนึ่งของจิตถ้าเรียกว่ากิริยาจิตกระดันกลมจริงหลวงพ่อคงไม่ได้ออกไปอย่างนั้นนะครบกลขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณวิไลลักษณ์ธนะคงลำมเลิศกล่าวนามสกุลท่านอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าอาทิสมันกายเนี่ยนะคะมีความสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับการทำสมาธิอย่างไรคะ่ะอธิษมันกายนั้นมีความสาคัญตรงงเทเขาจะเป็นผู้ที่รับพลังของจิตเราทำเท่าไรเนี่ยอี่สมันกายจะเป็นผู้รองรับเข้าสู่ใจของเราดัง <c oughs> นั้นพอเวลาจิตเป็นสมาธิมากขึ้น จิตมันก็ชอบจะหล่นเขารวังว่าเขาไปหาความสบายนั่นคือเข้าไปอยู่ในอาทิตย์สมานกายเพราะว่าอาทิตย์สมานกายเป็นตัวที่รองรับพลังจิตเขาก็จะพยายามเรียกให้จิตเนี่ยเข้าไปอยู่ที่อาทิตสมานกายก็คือเข้าไปอยู่ในฌานทีนี้หลวงพ่อไม่ต้องการที่จะให้เป็นเช่นนั้นก็คือว่าต้องการให้จิตเนี่ยตั้งสติให้เยอะๆ ทำเหตุให้มากมนะความว่าจิตรวมแล้วก็มีความรู้อยู่อย่าเพิ่งเข้าไปถึงอาทิตย์สมันกายอาทิตย์สมันกายก็คือที่รองรับพลังจิตต่ <c oughs> อไปอาทิตย์สมันกายก็มีสิ่งที่จะต้องผูกพันกับสมาธิอีกมากก็คงจะได้อธิบายต่อไปทัางหน้าก <c oughs> ราบขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณวิวัวิจวันจีิริวงศ์สถากรณ์ ก, กรรมเนื้อธรรมศาสตระอาจารย์ครับสิทธขอเรียนถามว่ากายทิพย์มีกี่ชั้นนะต่างกับกายจริงอย่างไรครับกายทิพย์มีกี่ชั้นต่างกับ ก, กยายจ ร, ริอง อ, อย่างไรใช่ไหมใช่ครับกายทิพย์มีชั้นเดียวเราเรียก <c oughs> ทมัยกายไม่มีไม่มีหลายชั้นชั้นเดียว <c oughs> แล้วก็ ตางจากร่างกายเนี่ใช่ไหมกายจิตครับอ่าฮะกายจริงกายนี่ใช่ไห ม, ต, หไหมต่างกับต่างกับกายจิตอย่างไรครับกายจิตและกายจิตเนี่ยไม่เคยได้ยินผมอ่าเนะจอในหนังสืงเอเล่มนึงเขาบอกไว้ว่ากายผิดทีสองชั้นเนี่ยเธอก็คนจะเข้าใจผิดขอบพระคุณมากครับอ่าไม่มีไม่มีเธอว่ากายจิตนี่ไม่มีจิตก็คือจิตกายก็คือกาย อันนี้พอกายทิพมันก็คือกิริยานหนึ่งของจิตที่จะอยู่สัมพันธ์กันโดยตลอดมี่เท่านั้น <c oughs> กายก็คงมีชั้นเดียวนไม่มีหลายชั้นแต่ที่เขาคิดว่าเป็นชั้น่ะก็คงจะมีความคิดไปกจย่างที่จริงแล้วตามความเป็นจริงไม่มีมีกายทิปก็คือกายทิปมาต่อไปก็ขอเชิญคุณวิวัตริริกุณบอดี ครบับนมันการพระอาจารย์ครับติดได้ปฏิบัติตามที่อาจารย์เคยสอนก็คือเมื่อสงบหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ถามว่าใครคือผู้รู้นะครับที่ผ่านมาห้าวันเริ่มแรกไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่มาวันหนึ่งหลังจากที่ถามแล้วจิตสงบมีคําตอบออกมาว่าจิตคือผู้รู้อ่า น, นั้นก็เป็นความจริงอยู่แล้วว่าจิตนั่นแหละคือผู้รู้แต่ทีนี้ ที่เราถามผู้รู้เนี่ยเราต้องการที่จะให้คําถามอันเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ที่ใจของเราเนี่ยให้มากที่สุดเมื่อฝังเขาไว้ฝังเขาไว้มากเข้ามากเ่านะเวลาที่เราทําจิตที่เราพลังจิต น, นี่ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ไปจอยกันได้ก็จะถึงจุดพลังอำนาจตรงนั้นที่เราต้องการแต่ที่เขาบอกว่าผู้รู้ก็คือจิต ก็เป็นคำที่ตอบถูกแล้ว <c oughs> เราไปรู้ที่จิต จ, จริงแต่ที่นี้เราไม่ได้เห็นแล้วเราไม่ได้ไปสัมผัสก็เลยยังไม่ถึงจุดพลังอานาจในจุดพลังอานาจนั้นก็คือพลังราจิตจิตยงพอแล้วต่อไปก็คื อ, อก็ขอเชิญคุณวิษากร อ, อังชากรไัอยอัศ้อย อัศนางคณ์อัศนากคณนชัยค่ะกลาบนมรดกการทาา่นานอาจารย์คราที่สิบนั่งสมาธิไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดอาการเบาสบายตัวลอยติดก็บอกกับตัวเองว่าจะติดในความสบายนั้นมันไม่ใช่ของแท้อาการเบาสบายก็หายไปเปลี่ยนไปเป็นตัวพองค อ, งของแขนขาพองยาวอย่างรวดเร็วติดก็ยพยายามจะบริกรรมพุทโธ แต่ไม่สามารถบริกรรมได้เพราะอาการทองยังดำเนินต่อไปจนแน่นหนาหกสุดหัดไปหมดร่างกายเหมือนกันจะแตกออกจนทนไม่ไหวสิดจิงตัดจินใจลืมตาเสียขอเรียนถามว่าในกรณีดำลงสติเพื่อบริกรรมพุทโธไม่ทันการควรแก้ไขอย่างไรครับเออที่อาการที่เกิดขึ้นนั่นะ่ะคือเราเออไปแก้ในเวลาอันไม่สมควร เมื่อเวลาที่ตัวลอยก็ดีนั่นเวลาที่มีลักษณะเหมือนตัวลอยใหญ่หรือเหมือนอะไรก็ดีเนี่ยเราอย่าไปแตะต้องได้อย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างนั้นจนกว่าเขาจะหมดเอ่อครเขาก็จะยางหายไปเองถ้าหากว่าอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าไม่ดีซะแล้วเราก็เลยเตรียมจะกลับมานึกคุตโธแต่ตอนนั้นกลับมาไม่ได้ พอมากลับมาไม่ได้แต่เราก็ไปขืนกลับมันเกิดตัลงปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นเกิดการแน่นเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกิริยาอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นให้ปล่อยไปตามที่มันจะเป็นไปแค่ไหนก็ปล่อยไปเราตั้งแต่ความรู้มีความรู้อยู่อันเกียวพอแล้วเพราะว่าตอนนั้นคือตอนตัสวยสุดเขาเรีย ก, กว่าอยู่ในทางครับเขาตะกุงห์อ่า ต่อไปขอเชิญคุณวิสิทธีระวานิมก <c oughs> ขาวนรวัตกศาสตร์อาจารย์เราติดมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับาการถือเลิกยามอย่างเช่นสมมติว่าการขึ้นบ้านใหม่หรือว่ า, าเลิกพิธีแต่งงานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมารอาสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ แต่ว่าจําเป็นก็เหมือนจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นก็เหมือนไม่จําเป็นเพราะว่ า, าความเชื่อถือของคนเนี่ย <c oughs> เราไม่สามารถที่จะลบล้างออกไปจากใจของคนได้เขาก็เลยถือเลิกยามความจริงนั้นไม่มีเลิกยามก็ย่อมไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าเวลาแต่งงานไปแล้วเกิดอย่าร้างกันขึ้น มันก็เลยไปโทษตรงไอ้แม่เอาเลิกยามนี่แหละมันถึงได้อย่าล้างกันเนี่ยก็ว่ากันไปอย่างนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะอันนั้นหรอกแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีความคิดว่ามันจะเกิดอันนั้นขึ้นมาภายหลังเราก็หาเลิกยามกันหน่อยก็ไม่เป็นไรขอบพอคุณครับก <c oughs> ็ไปขอเชิญคุณวิสุติอธิษฐาน จ, จำนง กรรมนมาตการพระอาจารย์ค่ะเอจิ์มีปัญหาถามว่าอย่างเวลาจิตอยู่ที่สูญบ ส, ส่ว น, นหรือว่าให้เจ้ากรรมในเวรขอโอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าจิตจิตบอกกับจิตบอกว่าเขาโอโหติแต่บางบางทีเจ้ากรรมในเวรก็ไม่โอโหสิเ้วก็ได้ยอมรับที่เราอุทิศไปให้จิตจะถามว่าทําอย่างไรเจ้ากรรมในเวร ที่เขาไม่ยอมอุทิศให้เราหรือว่าไม่ยอมรับอุฏิกุศลที่เราอุทิศไปให้นะคะเรามีวิธีอะไรคะใครเป็นคนรู้่เขาไม่รับว่ะจิตบอกก้าจิตบอกว่ า, วามีคุณสมบความรู้สึกเบื้ความรู้สึกทางจิตนะคะบอกว่าเขาไม่รับแต่ว่า บ, บางบางครั้งก็จะไม่รับนะคะอ๋ะอความรู้สึกนั้นเกิดเปลี่ยนความรู้สึกก็ได้คือ <ti> ความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่วจตกรรมใ น, นเวทออกตัวเราเองเนี่ยะ เกี่ยวกับพูดเองขานเองอย่างเนี้ยอ่เราก็บอกว่าถ้าหากว่าอย่างนั้นก็รับซะคือเราคิดอย่างนี้ว่าการแผ่ส่วนกุศลนี่เป็นสิ่งดีและทีนี้เจ้ากรรมนายเวรอางโหติกรรมให้เรานั้นก็เป็นสิ่งดีแต่ยังไงก็ตามอย่างคนที่เขาเราจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนั้นส่วนที่ระ ง, งับได้ก็ระ ง, งับ ส่วนเทระ ง, งับไม่ได้เราก็ทําอีกเป็นครั้งที่สองที่สามในไมช่ช้าผู้ที่เป็นเจ้า ก, การรมในเวงก็คงระ ง, งับให้เราอยู่ดีๆแหละแต่ว่าการที่แผ่กุศลให้เจ้า ก, กรรมในเวง น, นั้นเป็นสิ่งที่เราแสดงถึงความเมตตาความเมตตานี้เป็นทําให้เราเกิดจิตเป็นกุศลอ <c oughs> ยังไงเสียเราไม่ก่อกรรมทําเหตุเป็นดีที่สุด ก็มาถึงคุณวีรศักดิชัยรัตนพงศ์ลาบนักการพระอาจารย์จิตใจจะถามว่าอาการจิตของจิตลูกจิตแต่ละบุคคล น, นี่ก็มีแตกต่างกันไปหลายๆอาการพระอาจารย์มีวิธีที่จะทดสอบจิตหรือว่าวิเคราะห์จิตของจิตแต่ละคนได้หรือไม่ว่าเป็นไปถึงขั้นไหนแล้วเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นครับ อ่าอันนี้เล่นหลองภูมิซะแล้วอาการที่จะรู้จักว่าจิตของรู้สิทธิ์ไปถึงไหนนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเพราะว่าทุกคนก็ย่อมจะรู้จักว่าเวลานิจิตเรารวมหรือไม่หรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามระดับจิตเนี่ยมัน เ, เป็นไปเท่าเท่ากันไม่ได้แต่ว่าในที่สุดเนี่ย มันจะไปมีความรู้อันเดียวกันเหมือนกัคนที่เขาพากันไปเรียนมัธยมหกพอก็ไปอยู่ในชั้นมัธยมหกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคนนั้นก็เก่งมากหน่อยคนนี้ก็เก่งน้อยหน่อยในที่สุดมันก็สอบได้คนไหนสอบไม่ได้ก็สอบเอาอย่างนี้หรืออย่างที่มานั่งสมาธิรวมกันอยู่ในที่นี้ในที่สุดเนี่ยจิตสงบ แน่นอนว่าทุกคนต้องมีความสงบเข้าไปสู่จุดนี้จุดหนึ่งเนี่ยถือว่าได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ที่จะได้ระยะมากไปกว่านั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ของบุคคลคนนั้นจะดาเนินไปแต่ว่าการที่จะให้หลวงพ่อรู้จักใจของคนทุกคนแล้วก็จะต้องเอาตรงนี้ใส่ให้เอาตรง น, นั้นใส่ให้มันคงไม่ได้ แต่ก็สอบดูว่าเมื่อเวลามาฟังที่หลวงพ่ออธิบายแล้วก็รู้สึกว่าพอใจทุกคนอันนี้ก็เป็นอนันว่าพอใจแล้วเท่า น, นีอ้อ่ะตอบไปก็ขอเชิญคุณรุ่ดที่กรสท่านาอาจครับอาจารหลวงพ่อที่ครูครับแต่ผมมี่งคำถามว่าเมื่อทำจิตสงบในบางครั้งนะครับจิตจสงบ จนกระทั่งตัวหายไปมีความรู้สึกไม่มีตัวตนไม่มีเสียงภายนอกใดๆเป็นอาการของฌานใช่หรือไม่และอยากทราบว่าจะทำวิปัสสนาเพื่อตัดสังโยชน์ในช่วงในครับอ่าให้แกบดเนตมาหรือเปล่าใช่ครับถ้าทางจะเคยบดเนตรแล้วเนี่ยใช่ครับผ ม, ผมพ่อไ ม, ไม่ให้ไปส่งเพื่อเพืึกเองนว่าใช่ครับ ในเรื่องของการที่จะทําไปถึงวิปัสสนานั้นหลวงพ่อก็คงจะแก้เสี ย, ยมาตลอดการที่จะทําไปถึงวิปัสสนานั้นหลวงพ่อจะอธิบายคือเวลานี้เรายังอธิบายแต่ขั้นต้นอขั้นถึงวิปัสสนานั้นยังมีอีกเพิ่มสามโน่นนี่เพิ่มหนึ่งยังไม่จบเลย เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายให้ฟังว่าการจะถึงวิปัสนาได้นั้นก็ต่อเมื่อมีสมถะเพียงพอถ้าสมถะไม่เพียงพอนั้นวิปัสสาก็เกิดไม่ได้ใครใครจะไปทําวิปัสนาในเมื่อสมถะคือความสงบยังไม่เพียงพอก็เป็นวิปัสนาตกน้ําก็เท่านั้นพระอีสักข้อนะครับอ่าเจ้าปุ้ย คำถามขอบคุณครับอ่ากฎต่อไปก็คงจะสีพรสมบุกธรรมมาหรือเปล่าโ oh, อ้น่ากลัวนุารพระอาจารย์ครับอะไรนะชื่ออะไรผมวุฒิพลครับวุฒิพลเหม๋วุฒิพลเอาอัคคัญศุภะธรรมะครหบวงพ่อครับอยากทราบว่าอ่ตอนเด็กๆนะครับที่เหมอครับ มันเป็นสมาธิหรือเปล่าครับแล้วก็เขาถามว่าฐานเล็กกับฐานใหญ่มันต่างกันตรงไหนครับอะไรตัวอะไรเหมอในตอนเด็กๆครับว่าเด็กๆเหมอแล้วตอนนั้นเป็นสมาธิหรือเปล่าเนตอนเด็กๆอะไรนะอ๋อตอนเด็กเหมือลอยเป็นสมาธิหรือเปล่าไอ้เอหมอลอยเนี่ย หมายความว่าเดินไปก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่ครับก็คือแบบนั่งนั่งอยู่ในโรงอาหารอย่างนี้ครับแล้วก็นั่งเมอทางเลยเมาทางไอ้อย่างนั้นคนไม่ใช่สมาธิแน่ไอย้ยานั่นเขาเรียกว่าขาดสมาธินั่ง <c oughs> <c oughs> ขาดสมาธิแน่นอนถ้าเหมอไปมากๆไม่หวังเขางเ้าโรงพยบันอะไรนะ ปากของสามไอมยงั้นไม่ดีแล้วต่เนี่ยอคานัำต่อมาคืออะไรเ อ, อฐานของสมาธิวฐานใหญ่หญฐานเล็กฐานใหญ่กว่ากันนั่นคือฐานใหญ่เนี่ยหมายถึงพุที่ไม่คิดเฉพาะตัวแล้วเขาจะมีนิตรใจที่ว่าช่วยชอบออชอบช่วยคนแล้วก็พยายามที่ว่าเมื่อเรามีแล้วก็อยากให้คนอื่นมีด้วย